อนาปติวานพิกษุต่อไปนี้ไม่ต้องอบัตคือ88 1. สิกษปูกล่าวว่าท่านจงรู้จงให้จงนําสิ่งนี้มาเราต้องการสิ่งนี้ท่านจงทําสิ่งนี้ให้เป็นกัปปิยะ 2. อพิกษุไม่จงใจ3าพิสูตไม่มีสติ4ีพิสูตไม่รู้5้พิกษุวิกกลจริตหกพิสูตต้นบัญญัติปทวีคณะศิกขาบทที่10จบมูสาวาตวัคที่หนึ่งจบ